ต่อจากนั้นมันก็จํานวนลดลงเรื่อยๆนะคะเหลือเหลือประมาณหมื่นกว่าแล้วถ้านับถึงปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าเป็นเรียนวิธีพุทธกันจริงๆนีก็เหลือประมาณพันกว่าโรงเพราะฉะนั้นจํานวนก็ลดลงเรื่อยๆของโรงเรียนของสพทเนี่ยของกระทรวงสษษาธารณสุขเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้วัดหรือพื้นฐาน ศาสนาพุทธของเราในวัฒนธรรมของเราจะมีมาช้านานเนี่ยแต่เอาเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าโรงเรียนเอกชนสองสามแห่งเนี่ยซึ่งยังยืนหยัดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่อย่างเข้มข้นนี่ก็ยังดําเนินไปอยู่แล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่ า, เ, าเรื่องสําคัญๆสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยนะคะที่จะต้องให้เข้าใจกันอย่างทั่วถึงเนี่ย นะตั้งแต่คุณครูเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะคะเราก็พยายามถ่ายทอดอมีอยู่สามเรื่องที่สําคัญที่เราคิดว่าจําเป็นที่สุดเรื่องแรกก็เรื่องให้เข้าใจเรื่องไตรสิกขาซึ่งจริงก็เป็นเรื่องของหมวดศีลหมวดสมาธิหมวดปัญญาที่ย่อมาจากมรรคมีองค์แปดนะคะอเรื่อง พอเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือการการศึกษาและเป็นการศึกษาที่ เ, เข้าไปที่กายที่ใจของเราเองให้รู้จักเข้าใจนะรู้ให้ให้ให้งานของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นงานการภาวนาที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยได้มีมีความหลุด หรือไกลออกไาจากจากเรื่องที่เป็น อ, อะไรฮะเป็นกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือเป็นรู้จักทุกรู้จักเหตุแห่งทุกทีนี้พอเราพูดถึงว่าการศึกษาทำไมถึงต้องจัดให้รู้จักว่าชีวิตคือเรื่องของการศึกษามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าเรียนแค่ในตําราวิชาเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วนะ สิ่งที่เรียนอยู่ในวิชาต่างๆเป็นเรื่องนอกตัวเสียมากเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองนะคะก็ต้องหันกลับมาหาสิ่งที่หายไปที่ควรเรียนจึงเป็นที่มาของที่ว่าเราต้องให้เข้าใจเรื่องหลักหลักของไตรสิขาหลักของทําไมจึงมาถึงมรคมีองแปดนะคะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติอะไรนะคะเริ่มมาตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรคเนี่ย มาถึงแล้วเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติและก็หลักสูตรของเรียนวิถีพุทธเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมองให้รอบว่าไม่ใช่เรียนแต่วิชาในตํำราแต่ต้องเป็นการเรียนการสอนเพื่อให้รู้จักวิชาของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาด้วยหลักที่สองก็เป็นเรื่องของกัลยาณมิตรเรื่องของออสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาน ในแนวทางของการปฏิบัติหรือว่าแม้แต่ในการที่เป็นครูที่ดีนะนะเป็นครูที่แท้จริงมีจิตวิญญาณครูเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องอกรรยานามิตรเรื่องโยนิโสมนัสิการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันจึงจะเป็นไปได้อย่างรอบด้านมันจะเป็นองค์รวมได้จึงจะมีะความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าจ ะ, ะสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบไหนมันจึงจะ ทำให้ผู้เรียนเนี่ยไปถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียนได้จริงๆนะนั้นเราก็ใช้หลักพวกนี้แล้วหลักที่สเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เราทำนี่แหละค่ะสติปัฏฐานเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีพื้นฐานของการฝึกาตามแนวของสติปัฏฐานเนี่ยครูก็ไม่มีสติผู้ปกครองก็ไม่มีสติก็จะไปกันใหญ่เลยการดูแลเด็กเนี่ย ก็จะทำได้ยากมากแล้วก็เด็กสมัยนี้เนี่ยก็มีสิ่งเร่ามีเหตุปัจจัยเยอะนะคะที่จะทำให้เข า, เาไหลไปตามกระแสได้ง่ายแล้วก็ไม่นิ่งค่อนข้างจะไม่นิ่งนะคะไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดไม่เข้าไปถึงสาระไม่เข้าถึงคุณค่าอะไรไม่เข้าใจเรื่องของคุณค่าแท้คุณค่าเทียมสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้นะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามี เวทีหรือว่าพื้นที่หรือว่ากิจกรรมของการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสให้เกิดกัลยาณมิตรในแนวนี้ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าทำโรงเรียนวิถีพุทธให้ครบท้วนเนี่ยก็น่าจะต้องมีทั้งสามชุดของหลักการทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะครูที่นี่ก็เข้าคราวนี้ก็เข้าอยู่ชุดใหญ่เหมือนกันนะคะ มัน ค, ครูก็จะเข้าอบรมเนี่ยทุกทุกปิดเทอมนะก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกในระยะไหนในคอร์สไหนนะคะก็ยังมีโอกาสให้เลือกอยู่แล้วก็เราก็ได้รับความเมตตากรุณาจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดนะคะจึงจึงทำสถานที่นี้ขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็คงไม่กล้าทำนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เ, เรายังโชคดีอยู่แล้วก็ เราเห็นชัดเจนว่าแม้สังคมไทยจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ขาดครูบาอาจารย์ที่จะฝึกสอนให้เรานะฮะอันนี้เป็นจุดที่ทำให้เรามั่นใจว่าถ้าเราทาเราลงมือทำนะคะจัดสถานที่ขึ้นจัดโอกาสขึ้นนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตายอยู่นะฮะก็ทำได้สิ่งนี้ก็จะทำได้เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าออตอนแรกเราก็ไปฝึกกันที่โน่นที่นี่นะคะ หลายแห่งด้วยกันก็ค่อนข้างไกลอยู่แล้วก็ความสม่ําเสมอก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดสถานที่นี้ขึ้นมาเะฉนั้นอยากจะเล่าเกร็ดนิดนึงว่าที่จริงเราคุยกันถึงเรื่องเรียนวิถีพุทธหรือว่าวิธีการเจริญสติเนี่ยน ะ, ะเราก็นึกว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากเลยนะแล้วกเ็เราก็ได้พยายามที่จะ เข้าถึงให้มากที่สุดแล้วเนี่ยนะเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยท่า น, นไปเกาหลีมาก็ปรากฏว่าไปประชุมเรื่องของสติค่ะอันนี้เป็นองค์กรที่จัดเนี่เป็นพุทธมหายานนะฮะแต่ว่าเขาก็เชิญเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลเป็นนานาชาติเชิญมาจากแทบทุกประเทศในโลกเนี่ยมาคุยกันเรื่องสติมานำเสนอ บทความมานำเสนองานวิจัยมานำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆใ น, นเรื่องของการใช้สติสตนะฮะในในในชีวิตประจำวันในการทำงานเราก็ไปเสนอเรื่องการใช้สติกับการศึกษานะคะเน้นก็พูดถึงคำว่าครูสตินะพ่อแม่สติ เนี่ยนเคยกราบเรียนออหลวงพ่อไว้ว่าขอให้หลวงพ่อช่วยจัดหลักสูตรครูสติให้ด้วยนะหลวงพ่อก็ได้เมตตาจัดขึ้นแล้วก็เราก็เริ่มจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเราไปแลกเปลี่ยนเรื่องเนี้กับทางเวทีในระดับโลกเนี่ยนานาชาติเนี่ยเราาก็พบว่าเออเราคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะแม่นเหมือนกันนะ เขาไม่ใช่ธรรมดาเลยเอ่อไม่ว่าจะมาจากแคนาดามาจากนิวยอร์กมาจากออสเตรเลียมาจากไหนเขาใช้คำบาลีเลยค่ะหลวงพ่อแทบไม่ต้องแปล ก, กันนะคุยกันรู้เรื่องนะเขาก็แม่นบรสุควรแล้วเขาก็ศึกษาลึกด้วยนะบางคนเขาก็ออขอวิจารณ์ว่าคำว่าสติเนี่ย อาจจะยังไม่พอเพราะว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไปแปลคำว่า mindfulness นะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะพอเขาขอเพิ่มคำว่า heatfulness ด้วย H-E-E-D นะ heatfulness ซึ่งนั่นก็เข้าใจว่ามันน่าจะแปลว่าเอาใจใส่หรือไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคำเดียวกับ<ฮ>จิตตะหรือเปล่านะความไม่ประมาทใช่ไหมคะฮะ เพนั้นเองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคำว่าเอาใจใส่ใช่ไหมคะดันั้นก็เลยถามเขาว่าเออแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่หลังจาก mindfulness จากสติแล้วก็ไปคำนี้แล้วแล้วไปถึงสัมปชัญญะไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันอยู่ในระหว่างเนี่ยสติกับสัมปชัญญะแล้วเขาก็อ้างาาาปัจฉิมโอวาท ของเขาท อ, อ, อ, อ, องเขาก็ใช้คำนี้เลยอัปมาทะก็สแสดงว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาก็ศึกษาลึกซึ้งนะแล้วเขาก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะคะก็ได้วิภา์วิจารณ์กันหลายเรื่องในรายละเอียด น, นะคะแล้วก็ตัวอย่างของเราโรงเรียนเราที่ที่ทำเนี่ยล้วก็เป็นคลิปวิดีโอไปฉายเขาดูว่าเรานำลงมาสู่การจัดการในห้องเรียนยังไง ครูทํำยังไงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้ดูว่าชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันเป็นยังไงชีวิตในการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นยังไงเขาก็ชอบกันมากเลยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยคิดถูกแล้วที่เราเพยายามฝึกให้เด็กเนี่ยเริ่มต้นเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เล็กๆนะออของเขาเนี่ยังไม่ได้ทําลงมาถึงขนาดเด็กเล็ ก, ลกๆลคะค่ะ เพราะว่าถ้าถ้าจะทําถึงเด็กเล็กๆนี้ต้องต้องให้ครูเป็นก่อนเพวัะ น, นั้นหลักสูตรครูสตรีของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกจะจําเป็นมากๆเลยนะอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นนหะลวงพ่อพยายามที่จะเ อ, อ, เ อ, อตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะเข้ามาเพื่อเพิ่มเรียกว่าทางเลือกความหลากหลายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปเวทีน้อยแล้วโอ้โหเขาชกกันตรงๆเลยค่ะ <c oughs> เขาไม่อ้อมคอมเลย <c oughs> เขาไม่ต้องเสียเวลาทั้งนั้นเขาเป็นมหายานน ะ, อ, ะองค์กรที่จัดเนี่ยเป็นมหายานเกาหลีเองนี่ก็นับถือทั้งมหายานพูดมหายานใช่ไหมคะแล้วก็ของจือ้อแล้วก็คริสด้วยนะคะแต่เขาสามารถจะทำอินเทอร์เฟสได้คือการอยู่ร่วมกันระหว่างต่างศาสนาและเขาเคยจัดเวทีอินเทอร์เฟสเนี่ยขึ้นมาเมื่อห้ปีที่แล้วเขาก็เชิญยันไปนะคะ ก็ได้เห็นว่าเขามีความก้าวหน้าขึ้นเยอะแล้วเขาอยากจะเป็นฮับของทางเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสติหลวงพ่อสนใจเที่ยวน้าท้องนิมนต์นะคะลวพ่อต้องไปงานนี้เรื่องสติเลยค่ะเขาจะทำเจอเนลขึ้นมาเรื่อง mindful living การอยู่อย่างมีสติเห็นก็ว่าเขาตั้งใจมากแล้วก็เริ่มลงเอาลงมา ใช้ในหลากหลายรูปแบบมากเลยเพราะนั้นเราเองตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติภาวนาได้เนี่ยนะให้อยู่ในวิถีของการเป็นพื้นที่หรือเป็นวิถีที่ทุกคนได้มีโอกาสมาฝึกเนี่ยดัั้นว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีที่ดีในช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะ อนั้นพื้นที่ที่พร้อมอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้ ง, าางาการจัดกิจกรรมเอาไว้ทุกๆเดือนที่เราทำเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ที่น่าจะต้องเราใช้ให้เต็มให้คุ้มค่าใชใ้คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยฉันก็ต้องขอบคุณนะว่าได้มาใช้สถานที่แล้วก็เราได้ช่วยกันสร้างพลังของชุมชนในการปฏิบัติขึ้นนะคะ ครูเองเนี่ยบางทีถ้าปฏิบัติอยู่แต่ลําพังด้วยกันเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เห็นความแตกต่างถ้ามีคนอื่นข้างนอกด้วยเข้ามาเนี่ยได้เปรียบเทียบบางทีก็จะทําให้อาจจะ ก, กระตุ้นให้กระตือรือร้นมากขึ้น <c oughs> แล้วกออ็ได้เห็นตัวอย่างต่างๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันไปด้วยนั้นก็หวังว่าสถานที่เล็กๆแห่งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างในการที่จะสร้าง ความคุ้นเคยหรือว่าการที่เราอยู่อยู่อย่างชาวพุทธที่แท้จริงนะะให้มีวิถีของการปฏิบัติภาวนาอยู่ด้วยในชีวิตนะคะซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งที่ได้เมตตาแล้วก็พระคุณเจ้าทุ ก, ท, กท่านนะคะที่ที่ได้เมตตามาช่วยให้ การทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ขึนน้นเดิฉั น, นก็แอ บ, บรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็เลยต้องมากราบเรียนหลวงพ่อไว้วันนี้ค่ะว่าเขาเขาก็ตั้งใจมากนะคะเขาตั้งใจมากแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยก็แล้วแต่คือแตกต่างกันไปส่วนแต่ว่าถ้าเช็คดูว่าเขามีความเข้าใจไหมเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยก็มีความเข้าใจมากแล้วก็ เป็นสองค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนิวโรไซส์เป็นไซโคโลจิสพวกนี้นะคะพวกนั้นก็จะเป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งแต่อีกค่ายเนี่เป็นค่ายปฏิบัติฮนะเพราะนั้นก็เป็นสองสองกลุ่มด้วยกันใหญ่ๆแล้วก็มาคุยกันนะมาเจอกันในครั้งเนี้ยแล้วทางค่ายปฏิบัติเนี่ยก็หมายความว่ากําลังเป็นขาขึ้น เขาก็อยากจะทำ journal ขึ้นมานะให้เป็น journal ที่ชื่อว่า my full i v i n g เนี่ยให้เป็นเน้นเรื่องของการปฏิบัติส่วน journal เ, เดิมเนี่ยมันจะเป็นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่เยอะและเยอะมากทางด้านหมอทางด้าน neuroscience มีมี journal เ, เยอะมากนะคะแต่ทางปฏิบัติเนี่ยยังยังมีน้อยค่ะ ซึ่งเราน่าจะแชร์กับเขามากเลยเรื่องนี้เ อ, อไม่ไม่ไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าเขาให้ไปดูที่วัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปในเขตในเขตที่เขาปฏิบัติกันอยู่นะ ก, ก็เลยไม่ได้เห็นแต่ว่าเห็นเข้าไปที่วัดแล้วก็รู้ว่าประเพณีหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติเนี่ยยังใช้อยู่ที่เป็นรีทรีตเป็นอะไรเป็นระยะสิบวันเป็นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เน้นสังเกตว่า เอเขามีผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะมีวินัยสูงมากฮะซึ่งอันนี้เราเราก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้เขาสร้างชาติด้วยคนจริงๆนะเพราะฉะนั้นฐานเรื่องนี้ของเขาเนี่ยน่าจะแข็งแรงแข็งแรงมากทีเดียวนะคะไปเจอไปเที่ยวเนี่ยนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีใครทิ้งขยะเลยะพอเราไปเผลอวาง ขวดน้ำเนี่ยนะคะมีคนวิ่งตามมาสะกิดเลยให้เอาไปเก็บในรถแล้วก็ต่อรองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอะไรเสร็จกลับมาเราจะเก็บไม่ยอมค่ะจูงมือเราเลยค่ะหยิบขวดน้ำไปเก็บในรถเลยค่ะแล้วก็คือเขาเขาจะมีวินัยแล้วก็ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่ควรที่ถูกที่ควรเนี่ยเขาเขากล้าทำ นะกล้าในสิ่งที่ควรกล้าที่ควรทำนะเรื่องนี้ท่านเห็นชัดแล้วก็หลายๆอย่างที่ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไปพูดโทรศัพท์กันเสียงดังบนรถไฟเขาเขาห้ามเขาถือว่าไม่มีมารยาทวัน น, นั้นก็รู้สึกว่าเขาคงจะเอาเข้าสู่ชีวิตประจำวันแล้วก็วิถีของคนได้จริงๆ คือไม่ได้แยกส่วนว่าปฏิบัติก็เป็นเรื่องของคนปฏิบัติไปแล้วพอเสร็จแล้วกลับไปอยู่ในสังคมก็กลายเป็นสังคมที่ไม่ไม่มีทิศทางอย่างเงีง้ยคงคงเขาคงจริงจังแล้วก็คนที่จัดคอนเฟล็กซ์เนี่ยก็คือเป็นองคอ์กรก็จริงแต่ว่ารัฐบาลเป็นคนสนับสนุนงบประมาณรัฐบาลเขาเองเนี่ยชัดเจนว่าเขาจะไปแนวทางนี้เนื่องจากประเทศก็เป็นประเทศเล็กประชากรก็น้อยกว่าเรา นาะเกาหลีใต้เนี่ยบุคลากร น, น้อยกว่าเราแต่เขาต้องให้ความเข้มแข็งของของประชาชนเนี่ยเป็นเป็นตัวที่คือเป็นสปริงบอร์ดของการพัฒนาเขาก็คงจะเข้มงวดกับรเรื่องนี้พอสมควรเชิญมาด้วยค่ะใช่ค่ะดนั้นก็เดาว่าว่าคงจะเป็นแนวเสน เพราะพระที่ที่มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยพระมหายานของเกาหลีเนี่ยเราเราก็เห็นอากัปกิริยาอาการเขาค่ะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะที่เป็นคล้ายๆเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยก็เห็นเห็นชัดเจนว่ามีคุณภาพเป็นเป็นวัดเป็นมหาวิทยาลัยทำด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมหาวิาลยที่ไปในชื่อวงกว่างมหาวิาลย แล้วก็มีสปอร์ตโดยพุทธมหายานนี่แหละค่ะแล้วก็มีเงินของงบประมาณรัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้ตอนนี้ที่เราลงไปช่วยในโรงเรียนของสพทเนี่ยทำเป็นงานวิจัย27โรงตอนออกไปสัหนึ่งโรงก็เหลือ26แล้วก็เป็นวิธีพุทธ26โรงที่ดีที่สุดในประเทศไทยของสพทนะคะ แต่ว่าพอไปถามเรื่องไตรสิกขาเนี่ยเพราะเขาใช้เขาก็ชูธงไตรสิกขาเหมือนกันโรงเรียนวิธีพูดเนี่ยแต่ถามว่าคืออะไรเนี่ยงงเลยนะคะแล้วให้ไล่มักมีองแปดอย่างไร่ไม่ครบเลยนะคะพออนะคะพอโรงเรียนนีนั้นก็ขำมากเลยแล้วถามว่าแล้วเอามาใช้ยังไงในโรงเรียนมันมีส่วนที่จะชี้แนวทางอะไรของการจัดการศึกษาตอบไม่ถูกะคะ่ะ ได้แต่ว่าเป็นในรูปแบบก็คือว่าวันศุกร์ก็แต่งชุดขาววันพระไปทําบุญใส่บาตรอะไรต่อมีอะไ ร, อ, อ, ะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะแต่ว่าโอกาสที่จะลึกลงไปถึงหลักสูตรถึงครูที่จะต้องให้เป็นครูที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยมีครูมีสติเนี่ยไม่ไม่มีแล้วก็ครูที่จะไปปฏิบัติถ้ามีก็เป็นส่วนตัวที่ว่าเขามีจริตอย่างนั้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายแล้วก็ เขาไม่ใช่เข้าใจเรื่องนี้ง่ายแต่เราก็เอาเครื่องมือทั้งสามหลักการนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งในสุดเขาก็ยอมรับแล้วทีนั้นเดินไปในโรงเรียนเนี่ยพอหลังจะคุยกันเสร็จแล้วไล่เรียงแล้วมักมีองค์แปดไม่ครบเนี่ยเขาก็เขินเขินแล้วก็แก้ตัวว่าก็เนี่ยไม่ได้มีไว้ท่องก็กําลังพัฒนาอตอนนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็พยายามที่จะครูของเราเนี่ยค่ะไปนําก็พอใช้ได้อยู่ค่ะคุณอ ครงเราก็ชัดเจนค่ะชัดเจนในเรื่องหลักการวิธีการแล้วกว็วิธีปฏิบัติท่านยังไม่ได้มาจัดปฏิบัติที่นี่ค่ะ oh. เพียงแต่ว่าบางครั้งผู้ปกครองนิมนต์มา oh. ท่านท่านก็ทํากับเด็กเยอะเหมือนกันนะคะกับนักเรียนกับเด็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวจัดค่ายบ่อยคิดว่าถ้าถ้าลงไปช่วยกันที่โรงเรียนวิธีพูดอื่นๆได้ด้วยก็จะจนุนละค่ะให้เขาเสนอโครงการมาแล้วก็เราก็มีงบประมาณให้เขาด้วยสําหรับ การเดินทางการจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รอเขาเสนอโครงการเราก็ส่งแบบฟอร์มให้เขากรอกกลับมาหลังจากที่เขายอมรับหลักการแล้วผ่านขั้นที่ยากที่สุดไปแล้วคือกว่าจะยอมรับตอนนี้ก็คงจะเริ่มทยอยทยอยเข้ามาแต่อยู่ทั่วประเทศนะคะหลวงพ่ออาจจะต้องบางทีเราก็ต้องไปจัดที่ต อ, อาจจะไม่ได้มาที่นี่ตลอด